อย่า ใ, ใกล้กันเลยก่อนที่ใครสักคนจะคิด น่ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่30มผลสำรวจออกมาละบริษัทประกันภัยในอังกฤษแห่งหนึ่งระบุว่าคนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตไปจนถึง40กว่าจะเป็นตัวของตัวเองมีสมบัติพัะสถานที่ต้องการได้ครบถ้วนถ้าอายุน้อยกว่านั้นอยากได้อะไรต้องอดออมเอา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 บทความโดยดังตริมจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48เสียงอ่านโดยโจโฉ คิดชีวิตต้องดูอยากไกลเสียดายคนตายเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อาจความจริงสืบหลอยบอกไว้กลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกินเป็นคนนั้นก็ลอยมันไป